วินีตะวัตถุห้าในหัวข้อเหล่านั้นวินีตะวัตถุห้าเป็นฉไนคือ 1. การเว้นไกล 2. การเว้นขาด 3. การงดเว้น 4. เจตนาเครื่องงดเว้นจากกองอาบัตห้ า, หาความไม่ประกอบการไม่ทำการไม่แกล้งต้อง การไม่ละเมิดเวลาการกําจัดด้วยอริยมรรคชื่อเสตุนี้คือวินีตวัตถุห้าอย่าง